พัดนี้จัดแสดงธรรมะเพื่อเป็นอุปการะแก่การปฏิบัติกรรมฐานของท่านสาธุชนทั้งหลายสืบต่อไปได้กล่าวมาถึงเรื่องความรู้ในโรดโดยลำดับซึ่งจะเห็นว่าคำวินิโรธก็ดีนิพพานก็ดีเป็นภาษาใจที่สัมผัสตรงของบุคคลเหล่านั้น ไม่มีใครสามารถอธิบายได้ชัดเจนดังนั้นพระพุทธเจ้าจึงทรงใช้คำต่างๆเป็นอันมากที่สำนวนภาษาบาลีเรียกว่าวิยพุท์หรือใช้แทนกันได้เป็นลักษณะาการสื่อสารให้ทราบถึงสภาพของจิตที่ไม่มีความทุกข์ไม่มีกิเลสมีความสุขมีความสงบมีความยึกเย็น และหลุดพ้นจากความทุกข์ในระดับต่างๆแม้แต่การเวียนว่ายเกิดในสังสารวัฏที่ทรงใช้คำววัตตูปเชโดคือเข้าไปตัดกระแสของวัตต์คำวัตตะนั้นเป็นอาการหมุนวนของจิตหรือของชีวิตแห่งสัตว์ทั้งหลายในโลกนี้มีองค์ประกอบสำคัญอยู่สามประการคือกิเลสกรรมและวิบะ คนโราเมื่อมีกิเลสก็ไปนเนตทำกรรมพอทํากรรมแล้วก็รับปิบะรับผลของกรรมแล้วเกิดความรู้สึกชอบหรือไม่ชอบในตัวผลก็ทํากรรมต่อในสุดก็รับผลต่อความรู้สึกก็จะหมุนวนอยู่อย่างนี้ซึ่งก็เป็นไปได้ทั้งในสายที่ดีและในสายที่ไม่ดีมันทําให้ บุคคลทำกรรมทั้งสองสายคือทั้งสายดีและสายเป็นดีทำให้คนรับอิบาสทั้งสองสายเหมือนกันคือสายสายสุขและสายทุกข์ฉันอะไรฉันว่าเราเกิดไม่พอใจในตักคนก็มุ่งกระมุ่งที่จะทำลายตรงนั้นและสุดการทำลายนั้นก็กลายเป็นตัวกรรมจึงทำให้เรารับผลต่อบรับก็กลายเป็นลักษณะของการจองเวร จ้องเวรจ้งกรรมกันไม่มีที่สิ้นสุดนั้นที่จริงแล้วมันก็เกิดขึ้นจากไม่การไม่พอใจในตัวผลซึ่งเกิดขึ้นและต้องการจะแก้แค้นต้องการจะโดดต้ตอบเวรก็ไม่สงบระงับเพราะแนวทางปฏิบัติที่พระเจ้าทรงสอนเอาไว้ก็คือจะต้องยุติเวรคือไม่ผูกเวรแล้วไม่ได้ไปมองคนในแง่ที่ให้เกิดเวรเกิดภยัยเกิดอันตราย เราไม่สามารถที่จะไปรับผิดชอบความคิดของบุคคลอื่นการกระทำของบุคคลอื่นและการยกย่องการด่าว่าของบุคคลอื่นได้แต่เราก็รับผิดชอบในตัวเราได้อย่างที่พระเจ้าทรงสอนว่าบุคคลไม่ควรใส่ใจถึงถ้อยคำหยาบคายร้ายกาศของบุคคลอื่นหรือสิ่งที่ทำแล้วและยังไม่ได้ทำของบุคคลอื่น แต่ให้ใส่ใจสนใจในสิ่งที่เราทําแล้วและเรายังไม่ได้ทําเพราะฉะนั้นก็คือเรื่องของกระแสะกรรมที่คนเราทํากรรมอันใดไว้ก็จะต้องไปผู้รับผลของกรรมนั้นกรรมอันใดที่เป็นเหตุให้เกิดวิบากเป็นทุกข์เราก็งดเว้นไม่กระทากรรมนั้นมันงดเว้นไม่กระทากรรมนั้นเราก็พอใจในทูปผลที่เกิดเป็นความสุขความสงบ แล้วก็ทําเหตุนั้นต่อไปความสุขความสงบก็เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องยาวนานเพราะในชีวิตประจำวันของเราที่จริงแล้วถ้าลองสังเกตให้ดีเมื่อเดินไปในใ น, ในกระแสะของกุศลที่จริงก็เป็นอาการของวัตฏะครบเหมือนกันมาความมาเกิดกิเลสเกิดความรู้สึกพูดง่ายว่าเกิดความรู้สึก ดีบ้างไม่ดีบ้างแต่เนื่องจากคนเราที่เป็นปุตตุชนท่านก็ถือว่าเป็นกิเลสทั้งหมดบางอย่างเช่นเรื่องของปั จ, จัยสีเรื่องอาหารที่อยู่อาศัยยาแก้ไข้เรื่องนุ่คมซึ่งจำเป็นจะต้องมีต้องใช้เหมือนกันหมดพระอริยะกับปุตุชนแต่พอถึงปุตตุชนท่านก็ถือว่าต้องมีกิเลส พะเราจะมีการปรุงแต่งกันด้วยประการต่างๆอาหารก็มีการปรุงแต่งเครื่องนุ่งห่มก็มีการปรุงแต่งที่อยู่อาศัยก็มีการปรุงแต่งแม้แต่ยาแก้ไขาเองก็ยังมีการปรุงแต่งแต่พระญยานั้นท่านไม่บริโภคด้วยตันหาคือยังไงก็ได้ท่านมองในแง่ของความสมเป็จประโยชน์แต่นะเวลานํามาพูดคล้ายๆกับคนเราทุกคนทําอะไรไปตามอำนาะจของกิเลสที่จริงไม่ใช่ เป็นการพูดรวมๆ ว, ว่าถ้าปุถุชนแล้วก็ต้องเป็นอย่างนั้นทุกทีคือจะต้องมีจิตที่เข้าไปปรุงไปแต่งโดยอํานาจของตันหาโดยอํานาจของราคะเกิดขึ้นมากบ้างน้อยบ้างก็แล้วแต่เมื่อเราเกิดความรู้สึกอย่างนี้ขึ้นมาอาจจะดีก็ได้อาจจะไม่ดีก็ได้เราก็ทํากรรมพอทำกรรมมรับผลเราพอใจในตัวผลเราก็ทํากรรมนั้นต่อมันก็หมุนวนกันอยู่อย่างนี้ วันบางครั้งเราจึงรู้สึกเรารักษาความรู้สึกที่ดีของเราได้อย่างต่อเ น, นื่องเราก็เราก็ทำความดีได้อย่างต่อเ น, นื่องความสุขก็เกิดขึ้นในชีวิตของเราได้อย่างต่อเ น, นื่องแต่ประตูชนนั้นยังไงยังไงก็ขึ้นอยู่กับกระแสของอารมณ์อาจจะทำความดีได้มานานๆไปถึงจุดหนึ่งพ่ายแพ้ต่ออานาจของกิเลสเกิดการกระทาที่พลั้งพลาดขึ้น ตรงนั้นท่านก็ต้องรับวิบากใหม่คือวิบากที่เป็นทุกข์แต่เนื่องจากท่านคุ้นเคยต่อความดีท่านถือตรงนั้นเป็นบทเรียนท่านก็หลีกหนีท่านไม่ทำซ้ำวิบากเป็นทุกข์นันก็เกิดเกขึ้นเฉพาะช่วงนั้นในช่วงต่อไปท่านสร้างเหตุใหม่การกระทำก็ใหม่ผลก็ออกมาในแนวใหม่ซึ่งบางครั้งวิถีชีวิตตรงนี้ทาให้มีการหกลมหกลก ที่สํนวนไทยเราพูดไวาช่วยเจ็ดทีดีเจ็โหนก็หกลมลุกกันไปได้ด้วยแก้ไขเปลี่ยนแปลงปรับปรุงกันไปโดยลําดับในถึ ง, ถ, งถึงจุดหนึ่งมันก็สู่ความสงบได้อย่างแนววิถีชีวิตของพระองค์ุลิมานเราเห็นว่าที่จริงเป็นการต่อสู้กันระหว่างกิเลสกับธรรมะบางครั้งกิเลส ช, ะชะนะก็ดึงพระองคุลิมานไปหายไปเป็นหมาโจรไปเลย พอธรรมชนะก็ตั้งหลักได้แล้วก็ต้องต่อสู้กับกระแสของกิเลสที่มีการด้วยยุท้าทายรบ ก, กวนสารพัดอย่างเดินบินทบาตถูกคนด่าคนว่าคนใส่ร้ายป้ายสีกวางปาหัวร้างข้างแตกบาดแตกแตกีวรขาดสารพัดแต่ท่านก็ไม่รู้อำนาจแกอารมณ์ดนพระเจ้าก็รับสั่งได้แค่เปราะ ให้ตั้งใจอดกัน้นอดทนถือว่าเป็นการชดใช้กรรมกันไปและในที่สุดท่านก็รักษาจุดตรงนี้ได้หมายความกระแสกิเลสที่เคยท่วมทับใจท่านมาก่อนก่อนก็ก็ให้ผลเป็นทุกข์แล้วแต่ต่อมาท่านก็ปรับใหม่รักษาคุณภาพจิตเอาไว้รักษาความรู้สึกที่ดีเอาไว้กระทำกรรมที่ดีต่อไปด้วยความอดกัน้นความอดทนความเพียรพยอยาง โดยไม่หวาดหวั่นต่ออันตรายทั้งหลายซึ่งเกิดขึ้นจากการกระทําของบุคคลอื่นเพราะอะไรเระการกระทําของบุคคลอื่นก็คือเรื่องของเขาและถ้ากระทบเราก็ถือว่าถ้าเราไม่ได้ทําตอบ ก, ก็ถือเป็นอันดิตกรรมที่เราจดจดชายกันไปทางกาตั้งใจทําความดีจนในที่สุดบรรลุผลเป็นพระหันไปได้เป็นแนวการต่อสู้กับอํานาจของกิเลสอํานาจของอารมณ์ที่ต่อเนื่องยาวนานมาก แต่เราก็เห็นว่าถ้าเราตั้งมั่นอยู่ในความดีขความรู้สึกคิดดีแล้วก็ทำกรรมที่ดีไปโดยลำดับความดีก็จะคุ้มครองรักษาบุคคลไว้ที่ทรงอุปมาว่าพระธรรมย่อมรักษาผู้พูิธรรมเหมือนร่มใหญ่ป้องกันคนไม่ให้เปียกฝนในเวลาที่ฝนตกซึ่งหมายความว่าร่มจะป้องกันคนไม่เปียกฝนได้ก็ต่อเราต้องมีร่มด้วยและต้องการร่มด้วย รบจึงจะช่วยเราได้ทางการศึกษาธรรมะมันจะมีทั้งการเรียนทั้งการท่องจำทั้งการสามารถพูดสามารถปัญญาสามารถชี้แจงอะไรก็ได้ก็ทั่งทงไปเถอแต่ว่าถ้าไม่มีธรรมะอยู่ภายในใจเป็นหลักคุ้มครองใจรักษาใจป้องกันอนํานาจกิเลสอารมณ์ที่เกิดขึ้นภายในหรือแม้แต่กระตุน้นเร่งร้าวมาจากข้างนอกได้ ก็ยังไม่ได้ชื่อว่ารับประโยชน์จากธรรมะเ่าดันปัญตา ม, มาจึงทรงสอนในแนวมีไม่ว่าอะไรก็ตามคือพูดถึงเรื่องมีมีสภาวะของจิตที่ทำลายความเมาเสียได้บรรเทาความกระหายได้ทำลายตัณหาได้มีความสงบมีความยืเกเย็นปรากฏอย่างในญาณควานิพพานที่ทรงแสดงไ้แต่ว่าในขณะเดียวกันนิพพานเต็มรูปอย่างนั้นเราก็ไปไม่ค่อยถึง แล้วไม่ใช่ไปไม่ถึงเฉพาะยุคของเราคือยุคพระพุทธเจ้าเองก็มีคนไปถึงได้น้อยคนธรรมะที่ทรงแสดงจึงมีรูปของบันไดก็ขอยขึ้นไปก็แล้วกันขึ้นไปถึงจุดหมายปลายทางหรือไม่ก็ตามแต่เรายิ่งขึ้นไปสูงได้เท่าไหร่เราก็ปลอดภัยมากขึ้นเท่านั้นนั้นธรรมะจึงมีแนวของบันไดเช่ว่าสิขาบทเนี่ยถ้าเราแปลแล้วก็คือขั้นของการศึกษา ลักษณะของขั้นบันไดที่จะปรับจิตใจของเราให้มีความสงบจากกิเลสสงบจากอารมณ์ลงไปโดย ด, ดังๆแนวศีลห้าก็คือแนวที่จะให้มีความรู้สึกยอมรับนับถือสิทธิในชีวิตของกันรายการให้ได้ซะก่อนคือถือเป็นเรื่องใหญ่ที่สุดเพราอะไรเพราะคนเราถ้าทําลายชีวิตกันแล้วก็จบกันเรื่องทรัพย์สินก็เลิกพูดเรื่องคู่ครองก็เลิกพูดเรื่องมุสาวาดก็เลิกพูดกันเพราะไม่มีชีวิตที่จะไปล่วงละเมิดแล้ว ว่าในชั้นแรกก็สอนให้สร้างความรู้สึกยอมรับสิทธิในการดํารงอยู่โดยปกติสุขของกันรายการเราก็ตั้งใจสํารวมระวังไม่ล่วงละเมิดในสิทธิชีวิตของการรายการก็เริ่มจากการฆ่าลองสังเกตว่าทรงสอนเริ่มจากการฆ่าก่อนของดเว้นตรงนี้ก่อนต่อไปก็ให้งดเว้นจากการเบียดเบียนการประทุษร้ายการทรกรรมสัตว์การพยนตสัตว์การเบียดเบียนสัตว์ หาความสนุกเป็นความเดือดร้อนของคนอื่นสัตว์อื่นสแสดงว่าใจมีความสงบจากกิเลสเพิ่มขึ้นการกระทำในแต่ละขณะนั้นมีเหตุผลมีสติสัมปชัญญะมีธรรมะคุ้มครองมากยิ่งขึ้นแล้วจะสอนลงไปโดยลำดับจุนแนวลึกอย่างที่เคยยกตัวอย่างให้ฟัง ว, ว่า อย่างในกรณีนเนี้ยงดเว้นจากการฆ่าเองงดเว้นจากการใช้บุคคลอื่นฆ่างดเว้นจากการยกย่องสรรเสริญผู้ฆ่าผู้ฆ่าคนผู้ฆ่าสัตว์จนใจมีความเมตตาต่อคนต่อสัตว์ทั้งหลายเสมอเหมือนกันแต่กว่าจะเสมอเหมือนกันที่จริงก็ไม่จะทําได้ง่ายอีกแล้วก็พยายามขยับไปเรื่อย ให้ปริมาณของเมตตาสลายความรู้สึกเป็นเราเป็นเขาออกไปอย่าน้อยก็มีความรู้สึกว่าเรากับพวกเราแทนที่จะเขากับพวกเขาคือเรากับพวกเราเพราะอะไรเพราะถือว่าเป็นเพื่อนร่วมทุกเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นอย่างที่สุดกันแล้วก็มีลักษณะ ข, ของการเ อ, อื้อทอนดูแลห่วงใยซึ่งกันและกันเพราะพวกเดียวกัน แต่ว่าการปฏิบัติตรงนี้ที่จริงก็ยังมีความยึดมัน่นถึงอั่นอยู่เพียงแต่ว่าเป็นระดับสร้างความสงบสุขในสังคมเพราะมาถึงจุดหนึ่งเราจึงเห็นว่าแนวแนวนิพพานจริงๆจึงเป็นอนัตตาหมายความว่าไม่มีทั้งเราทั้งเขาไม่มีทั้งพวกเราพวกเขาแต่ความรู้สึกเหล่านี้พื้นจิตใจจะต้องสูงถ้าไม่งั้นก็มีปัญหา เพราะไรเพราะว่าโอกาสที่จะทําบาปมันมีเยอะเนื่องจากความจริงมันมีสองชั้นชั้นหนึ่งเป็นเรื่องสมมติเราต้องยอมรับสิทธิตรงนั้นทั้งหมดสมมติว่ายังไงก็ต้องยอมรับอย่างนั้นเพียงแต่เราไม่ยึดมั่นถือมั่นแต่นั้นเองแล้วด้านปรมัตดก็คือปรมัตดปรมัดจะต้องอยู่ที่ใจอยู่ที่ใจของเราเองไม่ใช่เอามาไปแสดงไปกระทําข้างนอก ไม่ใช่ว่าถือไม่มีชีวิตไม่เป็นคนไม่เป็นสัตว์ไม่มีชีวิตแล้วก็ฆ่ากันได้ทํำลายล้างกันได้จุดแนวความเชื่อเหล่านี้ได้เคยเกิดขึ้นในสมัยก่อนพุทธกาลก็เชื่ออย่างนี้เหมือนกันเชื่อว่าไม่มีชีวิตและในที่สุดก็ถือว่าดาบก็ไม่มีชีวิตคนก็ไม่มีชีวิตผู้ถูกฆ่าก็ไม่มีชีวิตผู้ฆ่าก็ไม่มีชีวิตเลยฆ่ากันได้ ถือว่าเป็นวัตถุแทรกเข้าไปในวัตถุเท่านั้นเองไม่มีผู้กระทําไม่มีการกระทําไม่มีผลที่เกิดขึ้นจากการกระทํากลายเป็นพวกนิยตามิชาทิฏฐิคือความเห็นผิดที่แรงตรงนี้ท่านสาชนทั้งหลายจะเห็นว่ามันลักษณะคล้ายๆกับวงกลมมันอยู่คนละขั้ว ก, กันความเห็นในแนวของพระพุทธศาสนานั้นเป็นวงกลมเส้นเส้น อ, อีกด้านหนึ่งของเส้น ความเห็นสุดขาดอย่างนั้นสุดตรงอย่างนั้นก็เป็นอีกด้านหนึ่งของเส้นแต่ลักษณะบางอย่างมันคล้ายกันเพียงแต่ว่าพื้นใจของคนที่มีความรู้สึกต่อชีวิตแตกต่างกันคนหนึ่งมีความรู้สึกด้วยอํานาจของวิชาคือความโง่คนหนึ่งมีความรู้สึกด้วยอำนาจของปัญญาหรือหรือว่าด้วยอํานาจของวิชาเป็นลนักษณะของความรู้แจ้งเห็นจริงในสิ่งทั้งหลายตามสภาพที่เป็นจริง แล้วตั้งก็กลับมามองคนมองสัตว์ที่ยังเป็นเราเป็นเขาเป็นพวกเราพวกเขาด้วยความเมตตากรุณานี่คือจุดที่แตกต่างกันเพราะอีกสายหนึ่งนั้นมองไม่มองไม่ใช่เราไม่ใช่เขาจริงแต่ว่าฆ่ากันได้ไม่บาปเลยก็ฆ่ากันเพลินไปได้แต่พอสายพระพุทธศาสนาปรากฏว่ามองไม่ใช่เราไใช่เขาเหมือนกันมองไม่เป็นตัวเป็นตนเหมือนกันมองไม่ใช่สัตว์บุคคลโดดต้นเราเขาเหมือนกัน แต่ว่าเป็นการมองด้วยปัญญาและจะเกิดความรู้สึกเมตตากรุณาต่อคนซึ่งยังเป็นเราเป็นเขาเป็นพวกเราพวกเขาอยู่เพรพระพุทธเจ้าพระสารทั้งหลายจึงทํางานกื้กูลแก่โลกโดยไม่คํานึงถึงความเหนื่อยยากลําบากของพระองค์แลือของท่านทั้งหลายแต่ประการใดเพราะว่าน้ำพระทัยและจิตใจของท่านมีความกรุณาต่อคนต่อสัตว์ที่ยังยึดถือในแนวนั้นอยู่เพราการปฏิบัติในแนวนี้ ว่าจะว่าโดยนยดัยใดก็ตามเป็นเรื่องขอ ง, ของความพยายามซึ ง, งบคือเดินไปสู่กระแสของปณิพาน์บางครั้งเราพูดกระแสปนิพัน์ทางเดินไปสู่นิพันธ์เป็นศีลสมาธิปัญญาบ้างทานศีลภาวนาบ้างพูดอริยมรรคของประราการบ้างซึ่งหมายความพูดยังไงก็ได้แต่โดยเนื้อหาของการปฏิบัติแล้วหมายความกิเลสบรรลดลงไป การกระทํากรรมคือการกระทําของเราก็ทําไปด้วยอํานาจของกิเลสน้อยลงแต่เป็นการทําไปด้วยอำนาจขอ ง, องารธรรมมาเพิ่มขึ้นซึ่งหมายความวิบากคือผลที่เกิดขึ้นในแต่ละขณะที่เราได้กระทํานั้นจะเป็นผลดีเพิ่มขึ้นและจิตใจก็จะพอใจยินดีในตัวความดีนั้นก็จะมีการกระทําเพื่อความดีเหล่านั้น ผลด้วความดีก็เพิ่มขึ้นอีกท่านก็ทำอีกก็หมุนวนก็อยู่อย่างนี้แนวของวัฏฏะเป็นลักษณะของการหมุนบนุในชีวิตประจํำวันช่วงสั้นๆแล้ว ก, กลายเป็นการหมุนในช่วงยาวๆมาความก็กลายเป็นการหมุนในสังสารวัฏเนื่องจากมีความพอใจยินดีในกุศลการกระทำกระทั่งก็เป็นกุศลเพิ่มขึ้น ผลดีเพิ่มขึ้นพอใจในผลดีเหล่านั้นก็ทำเป็นเป็นกุศลอีกทำให้สังสารวัตด้านประณีตที่เรียกว่าตบแต่งภพชาติแต่ประณีตเป็นมนุษย์ก็เป็นพิเศษสมบูรณ์ด้วยสิ่งดีงามต่างๆเป็นเทพเป็นพรหมทั้งหมดที่จริงแล้วเป็นเรื่องของความสงบกิเลสและความกิเลสยิ่งน้อยลงเท่าไหร่ แสดงว่าภูมิธรรมเราสูงขึ้นการที่ภูมิธรรมเราสูงขึ้นนั้นทําให้ภูมิจิตเราสูงขึ้นแล้วทาให้เราอยู่ในสังคมอย่างมีภูมิฐานจากภูมิจิตที่สูงทําให้พบที่อยู่ของจิตสูงกรณี้ท่านสาธชนทางหลายลองสังเกตว่าคนจะรักษาความสะอาดคนรักความสะอาดอะไระสะอาดไปหมด เสื้อผ้าที่สวมใส่ก็สะอาดที่อยู่ที่นั่งที่นอนที่อาศัยสะอาดอาหารสะอาดนั้นเพราะอะาภูมิจิตก็สูงถ้าสกรปรกก็จะรังเกียจขยะขยะไม่ต้องการจะเกี่ยวข้องด้วยเพราะงั้นอาหารบางอย่างคนบางคนกินด้วยความมาเด็ดอร่อยคนบางคนไม่เอาด้วยที่นั่งที่นอนที่อยู่อาศัยคนบางคนนอนเฉยนั่งเฉยคนบางคนไม่ยอมนอนไม่ยอมนั่งจะต้องปัดกวานจะต้องทําความสะอาดซะก่อนนั้นเราเห็นในชัดถึงภูมิจิต ทำให้การกระทาของท่านนั้นจะมีลักษณะสอดรับกับพื้นจิตกล้งแท้ผลผลนี้เกิดขึ้นจากการกระทาก็ออกมาเป็นความดีเราจึงเห็นได้ทั้งช่วงช่วงสั้นๆแล้วก็ช่วงยาวๆในแต่ละขณะเพราะฉะเมื่อการปฏิบัติมีความประนีตขึ้นไปความละเมียดละไมก็ปรากฏขึ้นภายในจิตเป็นจิตที่มีธรรมะเวลามีธรรมะจะทรงใช้ จะทรงใช้คำแปลกเช่นว่าเมตตาอย่างเงี้ยก็พูดเมตตาเฉยๆแต่พอท่านเหล่านั้นมีเมตตาเป็นปกติเป็นอัธยาศัยท่านท่านเรียกว่าเมตตาวิหารีหมายความว่าจิตอยู่ด้วยเมตตาตามปกติจะพูดก็พูดด้วยเมตตาจะทำก็ทำด้วยเมตตาจะคิดก็คิดด้วยเมตตาเมื่อจะเกี่ยวข้องกับคนกับสัต รู้จักไม่รู้จักเป็นมิตรเป็นศัตรูสามารถเมตตาได้จะไปเห็นว่าตรงนี้ค่อนข้างยากแล้ยุ่งล้วคนเป็นมิตรนั้นเมตตาง่ายแต่คนเป็นศัตรูกลับเมตตายากแต่ถ้าทําได้ก็หมายความว่าจิตใจนั้นเอาชนะกิเลสได้มากจนถึงจุดหนึ่งจริงๆท่านไม่พูดเมตตา ท่านพูดถึงเรื่องการุณาคือต้องการจะสงสารบำบัดทุกข์ให้จทัทุกข์แก่เขาโดยไม่มองว่าเขาเป็นใครแต่มองว่าเป็นคนที่กำลังประสบความทุกข์เท่านั้นอย่างพระผู้มีพระภาคเจ้าที่ทรงมีพระทัยเสมอกันหมดกับทุกข์ชีวิตแม้คนทั้งตัวเป็นศัตรูอย่างพระเทวทัตอยางนายขมังธนูอย่างโจรอุกลิมานอย่างช้างธน บ, บาลที่ไล่ฆ่าพระองค์ กับพระราหุลซึ่งเป็นพรอรุนั้นพระไทยเสวยกันหมายความว่ายังไงหมายความว่าไอ้วัตตะมันจบวัตตะกิเลสมันก็หมดไปกรรมทั้งหลายเป็นกุศลล้วนๆพระผู้เจ้าก็อยู่ได้ธรรมะเรียกว่าเป็นธรรมปีิิคนที่มีปีิิอยู่ได้ธรรมหรือยู่ได้ธรรมปฏิจิก็จะมีแต่ความสุข แม้ท่ามกลางความรุนแรงความกา้าวร้าวการต่อสู้ประหัตประหารกันแล้วพระเจ้าเองก็อยู่ตรงนั้นแหละแต่พระไทยไม่เกลือกลัวไม่เกี่ยวข้องกับความวุ่นวายรุนแรงเหล่านั้นหลวงก็อยู่อย่างมีความสงบอย่าในกรณีที่เสด็จไปท่ามกลางการทะเลาะพิวาทของพระญาตระหว่ัง สักยวงศ์กับโปวีวงศ์ที่แยกน้ำในม่น้ำโรหินญากันรับสั่งเป็นพุทธทานโดยใจความก็คือว่าในขณะที่คนทั้งหลายทะเลาะวิวาทกันอยู่เราไม่ไม่ต้องทะเลาะวิวาทกับใครก็อยู่เป็นสุขสบายดีจริงในขณะที่คนทั้งหลายหมายมั่นมุ่งจะทําทลายล้างกันเราไม่มุ่งไม่หมายมั่นไม่มุ่งทําลายล้างใครเราก็อยู่เป็นสุขสงบเย็น นั่นคือลักษณะของของใจที่เรียกว่ามีนิพพานหมายความว่ามาอยู่ในกระแสของนิพพานโดยมีพื้นฐานของธรรมะอยู่ภายในใจสามารถต่อสู้กับอารมณ์ทั้งสองกระแสอารมณ์ที่เกิดขึ้นจากภายนอกอารมณ์ที่มาจากภายนอกก็ลองสังเกตว่ามันก็มีดีกับไม่ดีแต่ถ้าใจเราไม่ แงแกร่งพอแล้วพอเจออารมณ์ไม่ดีเราจะเกิดโทสะถ้าทำอะไรได้ก็ทำอะไรไปตามหน้ากางโทสะซึ่งหมายความมาเริ่มสร้างวัตตัยุ่งละกิเลสมันเกิดกรรมมันเกิดผลไม่ดีก็เกิดซ้าขึ้นมาอีกมันก็เหมือนกับเขาด่าเราแล้วเราด่าเขาถ้าเขาด่าเราเฉยๆเราเฉยๆเขาก็ร้อนเขาคนเดียวเขาเดือดร้อนเขาคนเดียวแต่ถ้าเราด่าด้วยเราก็เป็นอย่างที่เขาเป็น หมายความว่าใจเราก็เป็นมโนทุจริตก่อนด้วยแล้วก็ว่าจีเราก็เป็นทุจริตปรุนแรงข้าวก็ลงไม้ลงมือก็ทุจริตหมดทั้งสามทางทั้งทั้งที่เราไม่มีความจะเป็นอะไรต้องทำบัตแต่พอรู้อำนาจแกอารมณ์เลยต้องไปทำข้าวใ้สุดมันก็กลายเป็นการแปดเพื่อนอกันเพราะในจุดตรงนี้มันก็อยู่ที่การคุ้มครองรักษาจิตตัวเอง ไม่ต้องไปเดือดร้อนกับจิตคนอื่นคือแก้ที่จิตตัวเองเพราะพุทธศา ส, าสนาทั้งหมดเป็นเรื่องรับผิดชอบเฉพาะตัวตามกระแสของกรรมที่กล่าวไว้ในตอนตอน้นมีนักวิจารณ์ทางศาสนาทางยุโรปเขาวิเคราะห์ศาสนาในโลกไว้เป็นสามประเภทคือสถานะของศาสนิกในศาสนาท่านแยกก็เป็นสามประเภทประเภทหนึ่งศาสนิกเหมือนกับลูกแมว หมาความลูกแมวที่เกิดใหม่ๆจะไปไหนเนี่ยแม่คาบเต็มตัวไม่ได้ช่วยตัวเองเลยศา ส, สนาบางประเภทนั้นตัวศาสนิกมีฐานะเหมือนกับลูกลิงลูกลิงเกิดใหม่ๆเวลาจะไปไหนก็เกาะแม่อาศัยแม่จริงแต่ว่าใช้มือตัวเองใช้มือเท้าตัวเองเกาะอีกประเภทหนึ่งนั้นศาสนิกมีลักษณะเหมือนกับลูกเต่าหรือลูกจระเข้ แม่วางไข่ไปแล้วก็กลบปลายก็ไปเลยลูกต่อลูกเจ ร, เระเข้ตัวนั้นจะต้องใช้ความพยายามเจาะกระปะ๋อฟองไข่ออกมาเองว่ายน้ำไปลงทะเลเองแล้วก็เลี้ยงชีวิตตัวเองแลวท่านบอกว่าศาสนิกในพุทธศาสนามีลักษณะอย่างนี้ หมาความพระเจ้าก็ทําได้แค่บอกกล่าวชี้แจงให้เท่านั้นอ น, นั้นเป็นทางเสือนั้นเป็นทางเจริญนั้นเป็นความสุขนั้นเป็นความทุกข์นั้นเป็นเหตุสวรรค์นั้นเป็นเหตุนรกนั้นเป็นเหตุนิพพานก็บอกให้เท่านั้นแต่ไม่ใช่มีการดุลบันดาลเพราะขลเหล่านี้จะเกิดขึ้นมันก็อยู่จิคนนึงทํานองคล้ายๆกับวางอาหารเอาไว้อาหารนั้นดีอย่างนั้นดีดีอย่างนั้นถ้าเราไม่รับประทานเราไม่ได้ประโยชน์อะไร เราต้องรับประธานเข้าไปแล้วเมื่อรับประธานเข้าไปแล้วมีผลประโยชน์อย่างไรมันก็เป็นการรู้เฉพาะตัวคนนั้นดังนั้นในกระบวนการของความบริสุทธิ์หรือไม่บริสุทธิ์จึงเป็นเรื่องเฉพาะคนนั้นในแง่ของความจริงที่แท้จริงคนหนึ่งจะทําคนหนึ่งให้บริสุทธิ์ไม่ได้หรือจะทําให้เลวทรามไม่ได้แต่ถ้าในแง่กระแสของสังคมเระทําได้ ลักษณะของการให้รายป้ายสีการใส่ร้ายการโดยประการต่างๆนั้นมีคนโวอ่อนเชื่อ ง, ง่ายมันก็ไหลไปตามกระแสของคน น, นั้นแนวโฆษณาสินค้าตั้งหลายแม้แต่สินค้าปล อ, ป อ, ปอมๆก็ขายได้เพราะอะไรเพราะจิตเจิญคนอ่อนไหวเชื่องง่ายขาดปัญญาขาดการวิเคราะห์ตรวจสอบในการคิดในการตัดสินใจต่างๆคนโขนถูกหลอกจึงมีอยู่ทุกยุคทุกสมัยบางทีคนหลอกรวยไปเลย นั้นแสดงถึงสภาพของสังคมแต่สภาพของกรรมแล้วเนี่ยก็เป็นเรื่องของเฉพาะตัวคนนั้นหมายความว่าที่ก็เป็นอย่างนั้นเพราะเขาเขาขาดปัญญาในการตรวจสอบปินิพจนาเช่นเดียวกันดันั้นการปฏิบัติหลักธรรมทั้งปวงก็มุ่งไปสู่กระแสของปณิพานเป็นพื้นเพียงแต่ว่าจะสัมผัสได้มากน้อยแค่ไหนเพียงไรเท่านั้นเองแต่ประเด็นสาคัญของความมีธรรมะ ก็อยู่ที่การอะไรเหมือนกนระมีศีนี่อยู่ที่การว่ามีเวลามีโอกาสมีสถานที่ที่อำนวยให้เราละเมิดศีนได้แต่ไม่ละเมิดศีนนั้นแสดงว่าเรามีศีนไม่ใช่ว่าไม่มีอะไรเป็นเหตุหละเมิดศีนเลยแล้วบอกว่ามีศีลมันก็เป็นไปไม่ได้ตอนนองใกล้ๆกับเราสมาทานศีนข้อสุราไปแล้วมีล่าอย่างดีวางไว้มองซ้ายมองขวาก็ไม่เห็นมีใคร ที่จะโจที่จะทวงที่จะทำนิแล้วเ็าก็เปิดไว้แล้วได้แต่เราไม่ดึงนั้นแสดงว่าเรามีศีลข้อสุราชจริงแต่บางครั้งแม้จะโคนอ้อนวอนขอร้องหรือข่มคูยังไงก็ตามให้ดื่มเราก็ไม่ดื่มก็แสดงว่าต้านทานต่ออารมณ์จากข้างนอกได้ศีลมีความแข็งแกร่งมากจริงคิดจนถึงกับแม้ ว่าถ้าไม่ดื่มแล้วต้องตายเราก็ไม่ดื่มเพราะวาความตายนั้นเป็นธรรมดาดื่มไม่ดื่มวันนี้สมมติเราดื่มวันนี้แล้วไม่ตายต่อไปมันก็ตายเหมือนกันเพรา ะ, ะนนคนประดับนี้ก็เรียกว่ารักษาศีลยิ่งกว่าชีวิตที่ทรงอุปมาเหมือนนอกต้อยชีวิตรักษาฟองไข่จามารีรักษาขนหางท่านเล่าว่าจามารีนั้นเป็นสัตว์ก็แบบประเภทโค มีหางสวยงามมากตีเรียกแซ่จามารีเวลาแกไปในตามป่าตามอะไรแม้แต่สัตว์ร้ายลลยล่าถ้าหางแกเกิดเกี่ยวแล้วในแกไม่วิ่งกลัวหางจะขาดจะต้องค่อยๆแกะออกมาก่อนแม้จะถูกสัตว์กัดตายก็ยอมแต่จะไม่ลอมทำลายหางของตัวเองเพรา ะ, ะนนคนที่รักษาศีลถึงจุดนี้ก็แสดงว่ากิเลสสงบไปมาก เราก็เห็นนิพพานระดับศีลเห็นนิพพานอ่อนๆมีความสงบเกิดขึ้นอยู่ภายในใจเพราะแนวศีลนี่จริงมาแนวไหนมันก็ถึงใจหมายความความเห็นความสงบเวีนสงบภยัยสงบอันตรายอยู่ภายในใจของเราไม่มีแม้แต่ความคิดในท่านองเบียดเบียดเมล่เดินถึงสี่จังหวะแล้วศีลจะเข้าถึงใจหมด ต่อต่นี้ไปก็ขอให้ตั้งใจทำความสงบสุกต่อไป